การสั่งสมวัตถุเข้าสู่ใจเป็นสิ่งที่สั่งสมได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่คร่อมตัวมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกิยาแห่งการกระทําเพื่อการสั่งสมนั้นเป็นไปโดยลํำดับําดานเป็นสิ่งที่ง่าย เพราะสิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายค้่องตัวไม่เช่นนั้นสัตว์โลกไม่เชื่อไม่ลุ่มหลงไม่ไหลตามมันโดยายเดียวแม้แต่ผลของมันที่แสดงออก ก็รู้อยู่ภายในตัวเท่านั้นแต่ไม่คิดไม่สามารถที่จะคิดเจาะเส้งหาทางออกจากมันได้ฉะนั้นการสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจให้มากมุงขึ้นไปโดยลำดับนั้นจิงไม่มีโรงรัโรงเรียนไม่มีคิทต้องอบรมสั่งสอนกัน เป็นไปได้ทั้งสัตว์และบุคคลทุกประเภทในแหล่งแห่งใต้โลกกรถางนี้เป็นไปโดยตามหลักธรรมชาติของมันที่หมุนตัวไปเองอยู่พาในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละรายละรายไปแต่การที่จะสังสงศพรมหรือถอนวัตตะอันเป็นฆาศิษ์ต่อจิตใจนี้นั้น เป็นสิ่งที่ทะะําได้ยากต้องฝืนทุกระยะอาการจิตวิยความสนความสนใจที่จะให้เกิดความฝืนความสนใจที่จะให้เกิดความภาคเพียนก็เนื่องมาจากความเชื่อการจะให้เกิดความเชื่อก็ต้องได้ยินได้ฟังมีครูมีอาจารย์มีตำหนักตำรา ชี้แจ น, นแดงบอกแนวทางเอาไว้ดังพระพุทธเจ้าในมุองตนพระองค์เองเป็นผู้ประกาศพระศาสนาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล ะ, ระประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจิตในธรรมทัมท้งหลายขึ้นมาก็ได้ช่วยพุทธภาระนั้นให้เบาลงไปโดยลําดับลำดับ ที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ครูแต่อาจารย์แต่หลักวิชาที่จะให้เกิดความเชื่อความนุ่งใสให้เกิดอุบายวิธีต่างๆที่จะนำมารื้อถอนสิ่งที่เป็นข่าศึกอยู่ภายในใจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความสามารถของตกอ งานการนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากชาวโลกจึงไม่สนใจจะทำกันเป็นจานวนมากที่สนใจมีน้อยที่สุดเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งทายากด้วยและถูกสิ่งปิดบังนั้นไม่เชื่อความจริงนี้ด้วยเพราะใจทั้งดวงนั้นเต็มไปด้วยของปลอม แสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของปลอมเป็นหัวใจจึงหาทางที่จะเชื่อความจริงและปฏิบัติต่อความจริงฟื้นและฟื้นสิ่งที่ปลอมทั้งหลายเหล่านั้นออกไปได้ยากเราทั้งหลายเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเป็นสากย้าบุตรพุทธชินโนรินโร ที่ปรากฏองทั้งสามโลกธาตุได้แก่ศาสดาของเราเราเป็นรูปจิตประาคตองนี้จึงจะทำจิตใจให้อ่อนแ อ, ทอแท้แท้เหมือนดังที่เคยเป็นมาหรือเหมือนดังโลกที่ไม่เคยสนใจาศาสนธรรมอันเป็นหลักความจริงนี้เลยนั่น ย่อมขัดต่อการปฏิบัติขัดต่อการกำจัดวิเลตประเภทต่างๆขัดต่อความมุ่งหมายของตนที่หวังความพ้นทุกข์ด้วยการถอดเกลื่ยนน้ำอันเป็นสินจอมปลอมเกียดแทงหรือภายในจิตใจของตนนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องขัดเกลาวิสยัยที่เป็นมาดั้งเดิมอันเต็มปไปด้ของจอมปลอมนั้น ให้ออกสู่ทำทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนการแสดงออกทางมารยาทก็ให้มีความจงใจมีแทติมีควา ม, มา ร, ระมัดระวังการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ให้มีควา ม, มา ร, ระมัดระวังดูกับความสัมผัสสัมพันธ์นั้นๆเพราะส่วนมากความสัมผัสนั้นเป็นช <c oughs> ื่อทางที่จะสังสม ิเลกประเภทดังที่กล่าวแล้วนี้แท้ทั้งนั้น <c oughs> ถ้ามีสติคอยระมัดระวังก็ไม่จะรับความกระทบกระเทือนมากหากไม่มีสติเลยก็จมไปทั้งตัวมีแต่พิษเต็มทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเพราะไหลเข้าสู่ใจเป็นผู้รับภาระแบกหามแต่ผู้เดียว <c oughs> ความทุกข์ทั้งมวลที่ไหลเข้าท <c oughs> วานรทั้งห้าคือตาหูจมกจูกิ้นกายนี้จึงไปรวมอยู่ที่จิตจิตจึงเป็นผู้รับภาระอันหนักมากยิ่งกว่าสิ่งใดในอวัยวะของเราทุกส่วนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดต่างๆนั้นเป็นธรรมดาของธาตุของขัน ซึ่งจำต้องแสดงความแปรสภาพหรือความแปรปรวนความไม่แน่นอนของมันอยู่เป็นธรรมดาแต่เรื่องความ <c oughs> เป็นของจิตนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคืออาการของจิตที่แสดงออกแต่ละอาการนี้กระเทือนตนมากหากไม่ระมัดระวังรักษา โรคทางกายกับโรคทางจิตจึงมีความหนักต่างกันอยู่มากทีเดียวโรคทางการนั้นใครๆก็เป็นได้ด้วยกันแต่สำคัญที่จิตเข้าไปแบกหามว่านเอาความสำคัญมันหมายต่างๆนั้นเป็นให้เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาโรนจิตใจของตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกาย สวนจิตใจที่มีการระมัดระวังรักษาอยู่ทุกอิริยาบถ ท, ทุกอาการที่เคลื่อนไหวย่อมเป็นเช่นเดียวกับหมอหนากับคนไข้ที่มีหมอและยาประจำตนย่อมจะไม่เปลี่ยนอันตรายอย่างง่ายได้หมอในสถานที่นี้ <c oughs> ก็ได้แก่ตัวเองเป็นผู้ระมัดระวังยาก็ได้แก่สติ ธรรมโอสถปัญญาธรรมโอสถสังวรธรรมโอสถวิริยะธรรมโอสถนี่เป็นลำดับลำดาจึงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมหรือเป็นโอสถเครื่องรักษาจิตใจมีความแข็งแกร่งปลอดภัยไปโดยลำดับลำดาผู้ปฏิบัติไปตั้งหน้าตั้งตาถึงขนาด มาบวดเป็นพระและได้บำเพ็ญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้จึงควรถือเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านอย่างฝังใจไม่ให้ถีดจางไม่ละไม่ถอนเราจะเห็นความจริงที่พระองค์แสดงไว้อย่างแจงแจง้งชัดเจนในสัจธรรมทั้งสีนั้นโดยลำดับ ไม่มีทางเป็นอื่นเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีประกาศกังวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราทุกขณะนี่คือเครื่องประกาศธรรมนี่คือเครื่องประกาศของจริงของจริงย่อมเป็นปัจจุบันธรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นทุกขสัจที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าสมุทยรรมัยสัจซึ่งเกิดขึ้น ทางจิตใจโดยเฉพาะโดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มาทางทวารทั้งห้าคือตาหูจหมูกิ้นกายเข้าสู่ใจทันเรียกว่าสมูทยัยที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัจจุบันนธรรมเป็นสมูทัยยาสัตว์คือเป็นความรินล้วน ไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตที่จะขาดหุตดท้ายไปจากกายจากใจของเหล่านี้เลยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทยถ้าไม่มีสัจธรรมมีมรรคสั์เป็นต้นเป็นเครื่องกำจัดแล้วจะเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเย็นมาอยู่เช่นนั้นมีที่กค้าวมาเบื้องต้นนี้ ได้แต่สัจธรรมฝ่ายผูกมัดฉายเรียกว่าผูกผูกมัดนะที่ทำให้หลงนั่นแหละในสัจธรรมสองประเภทเรียงลำดับกันไปนั้นได้แก่มัด ม, มากท่านกา่กาก่าไว้กว้างๆสมมาทิสิสมมาสังกปุจงกระทั่งสมมาสมาธิ นี่ก็เป็นของจริงจริงเต็มสัดเต็มส่วนจากสวขหาธรรมไม่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ตามความจริงอันนี้จะไม่ถูกลบล้างนอกจากเจ้าของจะเป็นผู้ลบล้างความจริงของเจ้าของออกให้กลายเป็นความปลอมขึ้นมาทั้งคนจิตทั้งดวงเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาลบล้างความจริงอันนี้ได้ เพราะฉะนั้นความจริงนี้จริงเป็นปัจจุบั น, นธรรมสัมมาทิฏฐิได้ากความเฉลียวฉลาดฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้คิดอ่านใจตรองในเมื่อในสัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความลำพึงความคิดอ่านใ่ตรองภายใาจิตใจโดยเฉพาะเรียวกว่าสัมมาทิฏฐิ มาสังกระโปกเป็นอาการแยกกันนิดเดียวเท่านั้นความดำรีดำลีแล้วก็ต้องดำพึงดำริชอบแต่จะไม่อธิบายไปมากเสียเวลาเพราะต่างท่านก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วเห็นน้ำริออกจากกามคือกามคือความรักใคร่นั่นแหละแต่ว่าอะไรออกจากเครื่องผูกพัน นี่เรียก เ, เรียกว่ามัจมัคคะอริยสัจจ์เป็นของจริงอย่างประเสริฐนิโรธนั่นก็อริยสัจจ์คือกิริยาแห่งการดับทุกข์ที่มัดประหัสติหานีิเลกประเพทต่างๆให้สิงทซาลงไปมากน้อยก็เท่ากับตัวค่าสึก ขึ้นซากลงไปความดับทุกันเป็นตัวผลจากทิเหลืประเภทนั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาเองความปรากฏขึ้นเช่นนี้ทัานเรียกว่านิโรธนะทำทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่ในกายในใจของเราทุกทา่านไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากสัจธรรมสองประเภทเบื้องหลังนี้เท่านั้นยังมีความบกพร่องแต่สามารถผิดขึ้นได้ให้เต็มภูมิ สำหรับผู้มีความสนใจไายต่อความหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงอยู่แล้วซึ่งนักปฏิบัติเราจึงไม่ควรคิดถึงการสถานที่เว ล, เวลาที่<อ>ไหนไหนให้เสียการแต่เปล่าและงมเงาเกาหมัดโดยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความสงสัยลังเลและความรำคาญใจขึ้นมาแต่ต่าเปล่าอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ดึงไม่ควรชิดให้เสียเวลานอกจากจะคิดค้นลงในวงแห่งสัตว์ธรรมที่กลา่าวนี้นี่แหละเป็นธรรมเครื่องยืนยันการรื้อถอนภพชาติก็คือการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆอันเป็นเชื้อของภพของชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงออกไปหมดโดยชิงเชิงไม่มีเหลือนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้หมดเชื้อแล้ว ภายในจิตใจของผู้นั้นไม่ได้ไปหมดที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปหมดที่อดีตอนาคตการนั้นสถานที่นี้หมดที่จิตอันเป็นสถานที่อยู่แห่งเชื้ออันเป็นซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นหมดดูจุดในึ่งทุกอันสาคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก็แสดงขึ้นที่จิตนี้สมุทัยผิดทุกข์ก็ผิดที่จิตนี้ ไม่ผิดอยู่ที่การสถานที่เวลาเวลาเองไม่ควรคิดให้เสียเวลาพิจารณาค้นคิดลงในวงแสงสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราอย่างสมบูรณ์นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นเชียนเป็นน้ำเป็นพิษเป็นภัยออกจากใจให้ทำความมุ่งมั่นทา ความเข้มแข็งมุมานะลงที่ตรงนี้ทุกรเราก็ไม่ได้สงสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทการงานใดหรือทุกข์กับสิ่งใดอารมณ์ใดเราเคยได้รับมาสักพอแล้วถ้าตุใจนี้เป็นสิ่งที่ถูกทําลายได้เหมือนสิ่งอืง่นนะจะไม่มีใจเหลืออยู่เลยแนะ่ดงเดียวในสามโลกฐานนี้เพราะถูกทําลายด้วยกิเลสตนะอาสวะประเภทต่างๆ ที่มันผิดเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายแต่นี้จิตไม่สิดหายเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นมั่นคงมากควรจะทำทั้งหลายจึงต้องทรงตัวมาหน้จนกระทา่งแบบสร้งางแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของเราจึงไม่ควรจะไปขยักขยแยงต่อความทุกข์ความลาบากในการประกอบความภาคเพียร มีความกระยิมยิ้มย่องต่อหน้าที่การงานอันชอบทำเพื่อความบุดพ้นหรือเพื่อการตอดถอนชี้เด็ดัญหาอสระของตอนนี้โดยลำดับนั่นเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับผู้ทรงมักค์ได้เกิดเครื่องดำเนินต้องดาเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรศรัทธาอย่างชาปแล้วดังเทีท่อธิบานมาแล้วนี้ว่า มรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากอยู่กับความรู้รู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงถูกปิดบังหุ่มห่ออยู่ด้วยขวางปลอมทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกทุกทุกประโยคทุกทุกระยะทุกอียาบททุกทุกอาการเคลื่อนไหวจึงทุ่มกันลงที่นี้ไม่ไป คิดไม่ไปแยกให้เสียวเวลาเวลานอกจากคิดดวงนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปรุ่มหลงพัวพันรักชอบเตียดโกรธกับสิ่งใดนั่นเป็นทางเดินของมรรคประเภทหนึ่งที่จะตามแก้ตามปลดเครื่องกันด้วยปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในงที่จะนาแยกแยกคันให้ได้สับได้ส่วนให้ถึงหลักความจริงแล้วปล่อยวางกันเข้ามา นี่ก็เป็นมากเพราะตามธรรมดาของจิตย่อมจะติดได้ทั้งนอกทั้งในทั้งกายทั้งกายอดีตอนาคตไม่มีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยนี่จะติดไปเรื่อยๆละ่ะไปเรื่อยชังไปเรื่อยเสียดโกรธไปเรื่อยแต่สติปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีขอบเขตเหตุผลจับเข้าไปตรงไหน จอเข้าไปตรงไหนก็ได้เหตุไปผลได้ความจัดความจริงมาจากที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางกันได้โดยลําดับเพราะอำนาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นของสําคัญอันหนึ่งเะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตา ป, ประพฤติปฏิบัติจะทุกยากลําบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องของผู้เข้าต่อสู้ เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคําว่ายอดคนก็คือหมายว่ายอดเรานั่นแหละเราคือคนคนหนึง่งให้เห็นจริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อผู้อื่นผู้ใดนอกจากเพื่อผู้สนใจใครทำและหวังความพ้นทุก์ตามเสด็จพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่ได้เพื่อผู้อื่นผู้ใดที่ไม่สนใจผู้ใดสนใจผู้นั้นแหละ คือผู้จะมีธรรมสมบัติเป็นที่ครองใจนับแต่ขั้นแห่งความสงบการกล่าวถึงความสงบนี้ก็เคยได้กล่าวหลายครั้งหลายหนเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่อดอาหารจิตใจมีความละเอียดสงบเยือกเย็นสติตามความคิดความเห็นของตนทัน ปรงแจงต่างๆคิดทันตามทันแม่ที่สุดเลยกลายเป็นอันเดียวกันไปในขณะนั้นกองหนึ่งพอจิตตรุงขึ้นเรื่องใดสติจะตามรู้ทันทีทันทีระดับไปพร้อมไปพร้อ ม, อมเพียงขั้นสมาธิที่มีความละเอียดก็สามารถรู้ทันในความเคลื่อนไหวของจิตคือความคิดตรุงต่างๆเลยลามย้อนมากลับมารับ มาฉันต่างหันวันหนึ่งสองวันทามวันขึ้นไปจิตชักอยากไม่ทันมี่เวลาอดวันหลังก็จะปะนำเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมารำพึงรำพันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่มีสติกำกับจัดจิตใจนี่เลยก็ไม่เกิดผลทำให้เกิดความกังวลวุ่นวายมากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงยึดหลักปัจจุบันธรรมเป็นสำคัญมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็าตามอาการความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผู้รู้วันนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาการของจิตมีอยา บ, บ้างละเอียดบ้างเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทราบตามอาการของมัน นี่คือผู้ฝึกจิตผู้สังเกตจิดแล้วตั้งลงในหลักปัจจุบันได้แต่สติให้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอสติเมื่อรับการบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะติดต่อสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัชญะขึ้นมาควรจะการพิจารณาทางด้านปัญญา ในเรื่องของการอดอาหารเคยทามาแล้วพอทราบเรื่อนมันมีอาการต่างๆกัน <c oughs> บางทีอดครั้งนี้เป็นอย่างนั้นและอดครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันอาการของจิตที่แสดงออกมาในแง่ต่างๆนั้นทำให้เกิดความเสียใจได้เช่นจิตเถอไปก็เสียใจจิตเถอไปนานนก็เสียใจ จะอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วโดยที่สติไม่อยู่กับจิตมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องมันจะเผลอไปก็เผลอไปแล้วเราก็ทราบเรื่องว่ามันเผลอไปแล้วทีนี้เราจะตั้งความรู้ให้คงเส้นคงวาอยู่กับภายในจิตจะเผลอไปไหนไม่เผลอไปไหนก็จะรู้กันที่นี่ เป็นอย่างไรขึ้นมาก็ทราบกันอยู่ที่ตรงนี้นั่นจิตจะไม่ค่อยเผลอแล้วจะทันคลมายาหรืออาการของจิตที่คิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยลาดับการพิจรารณาว่าการกำหนดสติในขณะจิตที่มีความสงบพอประมาณพิจรารณาคิดอ่านตรายตรองถึงเรื่องธาตุเรื่องขันเฉพาะอย่างยิ่ง อาสุภาอาสุพังปฏิปูลโสโครนี่เป็นย า, าระงับดับปราทะตันหาความฟุ้งเพ้อเหือเหมความฟุ้งซ่านรำคาญเหยียวกับโรค ก, กับสงสารได้เป็นอย่างดงยาขนานนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มันหยาบโลนชอบยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้ารูปนั่นเข้าเสียงนี้ เทาสถานที่นั้นสถานที่นี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะความเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นของที่น่ารื่นเริงบันเทิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชมน่ารักให้ชอบใจน่าเพลิดเพลินราวกับจะไม่มีป่าช้าอยู่ในสิ่ง น, นั้นๆในสถานที่นั้นๆเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเหยียบเบรด และย้อนจิตเข้ามาพิจารณาเพื่อแก้กับโรคร้ายชนิดนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามภายในร่างกายของเหล่านี้หรือจะเป็นภายนอกไม่สำคัญสำคัญที่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนหน่ายลายกำหนัดความยินดีธรรมกให้ทั้งหลายนั้น เป็นความถูกต้องสำหรับทมเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้จะบันเทากิเลสแก้แีกิเลสไปเดิมแบบพิจารณาได้ทั้งนั้นไม่ขัดกันนี่อะสำคัญผู้ไปรเริ่มปฏิบัติควรจะพิจารณานี้ให้มากจิตใจจะได้สงบเย็นอารมณ์นี้รุนแรงมากรบกวนจิตใจรบกวนได้ตลอดเวลา ทั้งๆที่ขณะนั่งสมาธิบางคับบัญชากันนั้นมันยังดิ้นยังดิบต่อหน้าต่อตามิสามํายังลากเราไปได้ต่อหน้าต่อตาหน้าโมโหมันมีอะไรเกินในกิเลสตัวนี้เลยรุนแรงมากถึงมันจะมอบลงไปสงบตัวลงไปด้วยวิธีการที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงควรนํามาใช้เสมอ ความจริงเต็มตัวของเราอยู่แล้วนั่งอยู่นี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูกกองปฏิคูลโสโคกด้วยสันทั้งนั้นหาชิ้นใดที่ว่าเป็นของสวยงามของสะอาดดังที่สิเลจอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ความจริงดังที่กล่าวนี้ เพียงดูตัวของเรานี่ก็รู้แล้วนั่งอยู่นี้ก็คือกองอสุภะแต่ละกองละกองอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกกองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งภายนอกภายในไม่ยกเว้นเพระเาะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเสื้อผ้าระบงจีวรที่อยู่ที่อาศัยจึงต้องได้ซักได้ผอได้ล้างได้เช็ดได้ถู เพราะสิ่งนี้มันกระจายความปิติภูมิความน่าเลียดของมันออกไปสู่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตนต้องได้หักกายเป็นของสกประกประดม ต, ตามกำหนดต้องได้ซักได้ซอกได้เช็ดได้ล้างได้ถูอืกเรื่อยๆนี่ทำให้เห็นจัตติชนี้นี่คือความจริงแล้วอุดในเรื่องความแปลสภาพเรายังไม่เห็นได้ชัดก็เอาเรื่องความทุกข์เข้ามา เวลาไหนที่ร่างกายมันแสดงความสุขให้เรานั้นเคยมีไหมไม่เห็นเหมจะมีบ้างกับเวลาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการมริโภคคาหวานเท่านั้นปรากฏดนินนีดนิดผ่านเข้าไปนิดหน่อยหน่อยว่าหวานมัง้งหวานว่าเป็นสุขอะไรก็ตามสิ่งที่ธาตุขันมันชอบมันก็ว่ามีความสุขนิดนิดตามปกติที่อยู่เฉยเฉยนั้นมันไม่แสดงความสุขให้เราเห็นเลย แต่ความทุกข์นั้นเต็มตัวมีได้ทุกระยะทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไข้ไปปด้ป่วยนั่งนานมันก็เจ็บยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ทุกมีแต่อาการของทุกข์เต็มตัวแล้ว ม, มีความสุขที่ไหนเราเจ็สันเฉยเฉยว่าสบายดีเหรอก็ ค, คือว่ามันไม่แสดงอย่างรวดผลบุนแรงให้เราเห็นเท่านั้นจึงว่าสบายดีเหรอแล้วก็ตอบว่าสบายดี ความจริงก็คือตัวไม่สมายนั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวนั้นมีแต่ลมลมแรงแรงออกมาพูดกันถามกันเฉยๆแยกออกเป็นสับเป็นส่วนสมมุติเรากาหนดดูกายของเราเนี่ยเวลามันตายเป็นยังไง อ, อันใดที่มันจะไม่เปื่อยรงไปนม่เลย นับแต่บนศรีรษะผมก็ล่วงพังทลายลงไปเพราะความเปื่อยยับย้านตั้งตัวไว้ไม่ได้อันนั้นก็เปื่อยอันนี้ก็พังพังลงไปทางไปอันไหนที่เป็นส่วนอ่อนที่ควรจะเปื่อยไปได้ง่ายมันก็เปื่อยลงไปเช่นหนังเนื้อเปลือยลงไปเปลือยลงไปเอ็นเปลื่อยลงไปหาดลงไปเมื่อไม่มีอะไรชิ้นใดติดต่อยึดเหนี่ยวกันไว้แล้วร่างกายทั้งล่างนี้มันก็กองลงไปเป็น เป็นอยู่พัภอยู่ในดินนั้นหมดอยู่ดินนั่นหมดให้เห็นชัดเจนนะขณะที่มันเปลือยพังลงไปนั้นมันมีความสวยงามมีกลิ่นที่หอมชวนให้ชมให้ดมที่ไหนนั่นมี่แต่แข็งปฏิกูลโสโครกทั้งหมดทั้งร่างกายของเรานี้แล้วมีหญิงมีชายที่ตรงไหนนั้นนี่แต่ธรรมชาติอันตายตัวของมันคือเป็นของประฏิกูลอยู่ในระยะระยะระยะนั้นเป็นลําดับเหมือนกันหมด นี่คือการพิจารณาให้เห็นความริงของมันจิตใจย่อมเบืนอหนายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามมันต้องคลายตัวให้บกรทัดเดยมดับเมื่อปัญญาเข้าถึงไหนปัญญาขั้นใดก็เป็นความปิงตามขั้นของตนเข้าถึงไหนความจอมปอมที่ทาให้ยึดมั่นถือมั่นสาคัญผิดนั่น ก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเหมือนทั้งร่างกายทุกส่วนนี่พังทลายลงไปผลที่สุดที่เด่นชัดก็คือกองกระดูกเมื่อนเนื้อหนังมังสังทั้งหลายตลอดถึงอวัยวะภายใน ม, มันเปื่อยพังไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะเป็นของแข็งที่จะค่อยเสื่อมลายลงไปรั่วทลายลงไป เป็นบินเป็นภาพเดิมของมันมันเป็นไปไดช้ช้าจะเห็นนั่นนี้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นใดเป็นกองกระดูกทั้งเกอะมีท่อนแขนมีท่อนขามีอวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นนี่กระดูกที่โครงนี่กระดูกสันหลังนั่นกระดูกนั่นนี่กระโหลกขีะอ่าเราบรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละแล้วดูที่นี่อันไหนก็นเป็นเราอันไห น, นเป็นของเราอันไหนเป็นที่น่ารักน่าชอบร น่ารักใคร่ชอบใจหน้ากำหนับยินดีในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่ทัน้นนี้นี่คือปัญญาที่คลายดีอย่างนี้แล้วกาหนดคือตั้งแต่ยิ่งเลสมันหลอกเศษขันทันยองให้เราเชื่อทั้งทั้ ง, ท, งที่มันไม่มีความจริงเรายังเชื่อมันได้อันนี้ปัญญาเป็นผู้ที่คลายหาความจริงเราทําไมจะที่คลายไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้ ที่แทลงไปที่เรื่องความสลายความแตกความทตำลาความเน่าเน่าเฟซลงไปหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างลง่างข้าซ้ายทางขวาเน่าไปด้วยกันเน่าไปด้วยกันเปื่อยไปด้วยกันนี่คือความจริงพ้นนี้ไปไม่ได้สตัตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามตายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าความจริงยังเป็นอยู่มันก็เป็นเห็นได้ชัดอยเช่นนี้เยกําหนดลงไปจนกระทั่งทุกสิ่งทุกส่วนมันอันไหนที่ควรจับ เปื่อยลงไปก่อนทังลงไปก่อนขาดลงไปก่อนนันก็ขาดลงไปตามลาดับํำดาของมันผลสุดท้ายก็เนื้อตั้งแต่กระดูกมองไปไหนมีแต่กระดูกแต่ถ้าเป็นยังไงน่ารักให้ชอบใจที่ไหนจากนั้นเครื่องยึดคือเส้นเอ็นมันก็เปื่อยของมันลงไปหาที่ยึดกันไม่ได้เพขาดทังสารลงไปกองกันอยู่ ข้อมือแต่ละข้อข้อเท้าแต่ละข้อกระดูกต่อกันแต่ละชิ้นอันนี้ขาดจากความติดความต่อเพราะไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันกันไว้กลาจะเส้นเอ็นพังไปหมดแล้วเปื่อยไปหมดแล้เนื้อแต่กองกระดูกคนทั้งคนเป็นอย่างนี้เหรอน่นหนักความจริงความจริงเป็นขั้นๆ น, นี่คือความจริงขั้นหนึ่งเป็นลํำดับำลำดับเทกนาจนจิตมีความสลดสังเวชตัวเองนี่แหละคือความจริง เมื่อพิจารณาถึงความจริงสท้สดสังเวชจิตใจเบาหิวหิวหิ ว, ว, วผลสุดท้ายทั้งทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของตัวเองทั้งขณะที่กําลังพิจารณากําลังเปลื่อยทังลงไปเปลือยทังลงไปทั้งขณะที่หาดพังทลายลงไปจนเป็นกองกระดูกเราพิจารณาร่างกายของเราอยู่นั่นเลยในขณะนั้นร่างกายในความรู้สึกทางร่างกายสายไปหมดไม่ปรากฏเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเหลือแต่ความรู้กับ ภาพที่ปรากฏอยู่เท่านั้นจิตใจไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่านั้นทั้งความโรดสั่งนี้น้ำตาล่วงทั้งๆ ท, ที่สิ่งล่านั้นมันก็พังทลายลงไปน้ำตามันก็ล่วงเข้ามามีน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาที่มีราคาน้ำตาที่เป็นอัฐเป็นธรรมน้ำตาที่เป็นน้ำชำรหล บ, ลบล้างน้ำมหาสมุทรมหานิยมีเรียกว่าน้าอำมะตะธรรม น้ำตาประเภทนี้จะเป็นน้ำมาตัทําได้งาลงไปพิจารณาอย่างนี้แล้ววันหลังพิจารณาอย่าคาดนะอย่าคาดว่าจะให้เป็นอย่างมันนั้นนั้นให้เอาเอาเอ า, เอาภาพมันนั้นมาให้เป็นอย่างปัจจุบันนีอย่าทําผิดกําหนดลงไปในวงปัจจุบันมันจะเป็นอาการใดวันนี้จะมีลักษณะเช่นไรให้มันเห็นตามหลักความจริงในปัจจุบันปัจจุบันในขณะที่พิจารณานั่นแหลยนั่นแหละถูกต้องอย่าคาด สิ่งที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ววันนี้พิจารณาอย่างนี้เอาจะเป็นไปให้เห็นตามความจริงเพราะจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพใดอาการใดแตกต่างไปอย่างไรก็ตามด้วยการพิจารณาทางด้านตัญญาแล้วเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ผิดปแปลกจะต่างกันในอาการที่เห็นก็ไม่ผิดกันในหลักความจริงมีการพิจารณาร่างกายเอาอย่างนี้ผู้ชอบพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นแหละ จะเป็นผู้ได้ทั้งความสังหดได้ทั้งความแ ย, ยบคาทางด้านตัญญานนจะได้หลักยึดภายในจิตใจการแนะนำสั่งสอนอสั่งสอนตามหลักความจริงแท้ผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่กล่าวมา น, นี้ซึ่งความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเครื่องมือที่จะพิจารณาให้เห็นหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยกันทาไมจะไม่รู้ทาไมจะไม่เห็นทาไมจะไม่เป็น ต้องเป็นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการเบิกทางการลบล้างทุกสมุทัยภายในาจิตใจลบล้างด้วยยิธีการเหล่านี้ไปโดยลำดั บ, ด บ, ด บ, ด บ, ดบจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่ก้าสามารถเพียงไรแล้วคำว่าทำทานั้นไม่ต้องถามจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเช่นเดียวกับเคยแบกถามกิเลสมาเป็นเนือานานและ แบกกองทุกซึ่งเป็นผลของเด็มาเปในในใน็นนานเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติการพิณิพิจารณานั้นเป็นเรื่องของมาเป็นเหตุสาเหตุที่จะได้รับธรรมทั้งหลายอันเป็นส่วนผลปรากฏขึ้นที่ใจโดยลําดับทําไมใจจะรับไม่ได้ใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมทั้งหลายอันพี่จะมาให้กินทห้งนักนะปฏิบัติเรานี่แหละงานหรือถอน วัตจักรวัตจิตจึเงเป็นงานยากถ้าพูดตามเรื่องของกิเลสทิศมันไม่มีอะไรง่ายแหละขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญตัวเพื่อจะเยื่อทางจากกิเลสแล้วเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นข่าศึกกิเลสเป็นผู้ขีดขวางที่ลสเป็นผู้เกี้ยกรองให้ว่ายากให้ว่าลำบากลําบนทําให้คิดเป็นจังบนวุ่นวายไปไหน แง่ต่างๆอันจะทําความเพียรนี้ให้ด้อยลงไปและหมดสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปครอบเขี้ยทั้งหมวลองพากณมัตตวังไว้คนมายาของกิเลสเป็นเช่นนี้เคยเป็นมาแล้วถึงได้นํามาสอนหมู่เพื่อนด้วยเหตุ น, นี้จึงเคยกล่าวแล้วกล่าวเล่า ว, ว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าคนมายาของกิเลส ในสามโลกาฐานนี้จะมอ ง, องเห็นทิเลตได้ยากที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นผู้หนักในอัตในธรรมเชื่อเป็นเชื่อตายต่อพระเจ้าแล้วฝื้นจิตฝื้นใจออกจากทิเลตที่เคยเชื่อมันมานานุคคลปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาเป็นก็เป็นตายก็าตาทุกข์ก็ยอมรับผลสุดท้ายก็ปร า, ากฏผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องซับเสียงกันต่อไปต่อสู้กันต่อไปทัดค้ า, านตั้งทานกันต่อไปได้โดยลำหนัก วิเลตที่มีกําลังมากแต่ก่อนก็ค่อยอ่อนตัวลงไปเพราะทําเป็นเครื่องต้านทา น, ม, นมีขึ้นภายในจิตใ จ, จของผู้ปฏิบัติหรืิ่งทำมีจํานวนมากมีความหนักแน่นมีปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใ จ, จมากเพียงไรสิ่งที่จอมปอมทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปการที่สิ่งเหล่านั้นอ่อนตัวลงไปมากน้อยเพียงไรยิ่งเห็นได้ชัดภายในสติตัญญาของเราว่า ที้งเหล่านี้เป็นคนมายากมาเป็นระยะระยะระยะนี้เป็นอย่างนี้ระยะนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งตามต้อนหองเขาไม่หยุดไม่ต่อคําที่ว่าลำบากจากเด็นเขียงใจนั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัวสําคัญสําคัญนะทั้งมวล จ, จางไปจางไ ป, จางไปจางไปสุดท้ายคําว่าขี้เกียจคําว่าอ่อนแอคําว่าทุกข์ว่าลำบากเท่ากับการประกอบความเพียรนี้ไม่ปรบบากฏภายในจิตเลยเพราะกิเลสประเภทนี้ มันซิ่งธาลงไปสึ่งธาตุลงไ ป, งงไปมีแต่จะเอาท่าเดียวที่เรียกมีมากน้อยเพียงไรเป็นค่าศึกษาจิตใจทั้งนั้นไม่เคยมีกิเลสตัวใดที่จะทําจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่าราศีและมีความสุขความสบายอันเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีแม้ตัวเดียวส่วนทำปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เย็นใจเป็นที่ไว้ใจได้ ทุกขั้นทุกระยะของธรรมที่ปรากฏขึ้นภ า, ายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะเทียบเหตุเทียบผลเทียบความหนักความเบาความได้ความเสียความสุขความทุกข์ระหว่างธรรมกับทิเลิดไม่ได้อย่างถึงใจเล่าเมื่อธรรมไม่เข้าถึงใจแล้วทิ่เลสดต้องเหมาะนี่แหละครามเพียนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วธรรมที่ว่าอ่อนแอนต้นเงไม่ปรากฏ เรื่องความขยันมันเพียนก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นอัตโนมัติภายในตัวเองเพราะความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญหนึ่งเพราะความเห็นแจ้งเห็นชัดในคุณค่าแห่งธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์ใจอยู่นี่หนึ่งเพราะเคยเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆที่บีบคั้นหัวใจมาเป็นเรงานุกมงงการเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจกับการเห็น คุณค่าของทำอย่างถึงใจย่อมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความภาคเทียนที่จะขยับตัวเข้าไปโดยลำดับจนถึงกับว่าถึงไหนถึงกันเป็นกับตายไม่สำคัญสำคัญที่ควาเอาตัวให้หลุดพ้นจากที่เหลือนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้รู้แจ้งแทงทะลุตามสเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในปัจจุบันนักกิจนี้ไม่ต้องไปคาน ว, ว่าการนุ้นสถานที่หนีเลื่อมเวลานั้นเวลาหนึ่นเพราะความจริงเห็นเด่นชัดอยู่แล้วพ า, านาจิตใจนี่คือการเปิดทางมัช กิเลสก็ดับไปโดยลําดับลําดับนิโรธเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการดับของกิเลสและของทุกข์ไม่ใช่นิโรธจะต้องทํางานของตัวเองโดยลาพังเหมือนมากได้จากสติปัญญาที่ทํา ง, งานฆ่ากิเลสเป็นผลไปได้เช่นเดียวกับทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งเองไม่ได้ทํางานเป็นของตัวเองมันผิดขึ้นกิเลสเป็นผู้คิดขึ้นมาแต่ทุกข์ด้วยหน้าของกิเลสเป็นเช่นนั้น นี่แหละการประกอบความภาคเขียนให้พึงพากันเข้าใจเอาไว้ว่าขณะที่ห น, หนักหนักหนักก็ช่างงานมีทุกประเภทที่เราเ ค, คยเคยถ่ายมาแล้วต้องมีหนักมีบบามีงานยากงานละเอียด ง, งานของจิตก็เหมือนการเพียรนั้นแต่งานของจิตนี้มีการขึ้นสุดหลุดพ้นไปได้เมื่อถึงขั้นกิเลสหมอบราบหมดไม่มีสินใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละ งานแห่งความาพากเพียรจิเคยโดยรับความทุกข์ความลําบากยากเย็นเพราะการต่อสู้กับกิเลสมามากน้อยเพียงไรสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสชิ้นซ่าลงไปภายในใจนั่งตามหลักธรรมท่านว่าวุชิตังปรามาจารย์ยังกตังการมายังเสร็จแล้วงานที่ดิดขาฟันหันแหลกกับตัวข้าศึกที่เต็มอยู่ภายในใ จ, จิตใจได้ชิ้นสุดลงไปแล้ว งานของพระผู้ติตตังธรรมะจริยังงานพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มันถึงใจกับว่างานของนักรบได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยชัยชนะมาใ น, นหลักธรรมชาติอันเป็นผลโดยสมบูรณ์แล้วนาปรังอิตตายาติประชานาติที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียดไอ้จริงเป็นอันว่ายุดงานนี่แหละ งานทางศาสนาคืองานแก้งานถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของลาดแก้วของศาสนาเป็นลาดแก้วของศาสนาธรรมโดยแท้นี่แหละเป็นงานอันสำคัญ ม, มากในวงศาสนาไม่ได้มาที่งานก่อสร้างงานนั่นงานนี้เป็นต้นน่าเป็นงานสำคัญ ข, ของศาสนาอันนั้นเป็นปริยายคนพระมาจากคน จำเป็นต้องมีที่อยู่ที่อาศัยทัานจึงเรียกว่าปัจจัยสี่ยีวอได้แต่เครื่องนน่งหมบินธบาตอทหารความเป็นอยู่สาหรับเยียยาธาตุขันพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในการประกอบพุทมจฑลเถนาสนะปรที่อยู่ที่อาศัยกุติ ม, ม้าชายเขาอะไรก็เป็นเสือเรียกว่าเสนาสนะที่านเพภสัชยรริยาเจ้โรูเจ้อไทยเจ้อกันไปตามฐานเท่าที่เห็นว่าจําเป็นควรเจ้อขายก็จะขายกันไตทิ้งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นรากแก้วหรือเป็นรากเง้าข้อมูลอันแท้จริงของศาสนาแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นที่จะส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นบุญยศเสด็จตังเนื่อหนาของบุญของโลกเขาพร้อมเสมอแม้เขาทําไม่ได้เขาก็ยินดีเดื่อมใสเคารพยากรว่า้บูชาอย่างถวายจะตุกปัจจัยทยาานต่อท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุ ป, ปฏิปโนโนอุชูญาณะาสามิจิปฏิปนโนเป็นบุญยศเสด็จบุญ เป็นดัชเกตังคือเป็นเนื้อนามุญของโลกโลกต้องการทั้งนั้นจะเพออ า, าพพอะอย่างยิ่งโลกชาวพุทธพอใจอย่างยิ่งผู้ไม่สนใจศาสนาพุทธเขาก็หาทางกทำนิไม่ได้ถึงเขาทำนิเมื่อเราดีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้มีทั้งดีทั้งชั่วจิตใจมีทั้งใจดีใจชั่วจึงมีทั้งคนดีคนชั่วเอามาเป็นประมาณไม่ได้ เอาตัวของตัวผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นประมาณของตัวเองเอานํำทำเข้ามาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงถูกผิดที่ตรงไหนแก้ตรงนี้เรื่องตาของคนนั้นอันไหนที่จะเป็นคติเป็นผลดีแก่การพิจรารณาการบําเพ็ญการทําประโยชน์ทั้งเรานําเข้ามาเป็นเครื่องส่งเสริมอันไหนที่จะมาตัดทอนความดีของเราให้ด้ลงไปทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้ถึงนั้นให้ตัดทอนออกไปจึงที่ว่าเป็นผู้ฉลาดปฏิบัติตนรักษาตน นักปฏิบัติให้รอบตัวเช่นี้งานนี้แหละเป็นงานสําคัญของพวกเรานักปฏิบัติเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานนี้ไม่มีอะไรจําเป็นยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นจิ่ตจําเป็นตลอดเวลาเพราะเคยจมมาแล้วในวัฏฏะสงสารจมมาด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นไม่ได้จมมาด้วยความรื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสมายอย่างแบบตายใจ นี่จึงแต่แบบที่ว่าสุขกับทุกข์เชื่อปนกันมามีอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นมากกว่า น, นั้นมีแต่ความทุกข์ความทรมารด้วยกิเลสเป็นเชื้อไฟเผาจิตใจมาอยู่ตลอดทาขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นเชื้อของไฟแล้วจะอยู่ในภพใดก็ต้องมีเผารนกันมากน้อยตามภพของตนอยู่นั่นแหละ ว, วาดลงไปให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อแม่นิดเดียวเลยนั่นอยู่ที่ไหนอยู่เถอด จะไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยจิตดวงนั้น <S <S จะไม่มีจิตดวงใดที่สงบราบคาบปราบะจากสมมุติใดทั้งสิ้นถามว่าวอิสระก็ <S <S ไม่มีอะไรเกินสามโลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติไม่ได้ <S <S นะและ้จะเอาสมมุติตัวใดเข้าไปเหยียบย่าทํานายจิตประเภทนั้นได้หะ นี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลําบนตะเกียบตะกายจะเป็นจะตายก็ฟาดกันมาสู้กันมาผล ไ, ได้เป็นเท่านี้คุ้มค่ากรสเสดความทุกอย่างอื่นเราทุกมาแล้วทุกเพราะความเพียรทําไมเราจะเพ้อต่อยถ้ามันเป็นทุกประเภทเดียวกันแต่ผลต่างกันเราทุกด้วยความชอบธรรมทุกคือผลจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรม เอาให้จริงให้จริงนะปจิบัติไอ้มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจยาทําแบบลุ่มๆดมดอนทั้งๆที่ผู้วาจารย์สั่งสอนก็สั่งสอนอย่างเป็นอัดเป็นทำถูกต้องแน่นยากับหลักการปฏิบัติและการแก้กิเลสทุกประเภทแตกไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในการรับการสั่งสอนนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองที่ทําให้เืดี๋ยวๆไหลๆตามนิสัยของกิเลสฝังใจ มันจึงเอาจริงเอาจังกับอะไรไม่ได้พอเมื่อจิตหาความจริงจังมาหน้าภายในตัวเราจะเอาความจริงจากที่ไหนจากอะไรไม่ว่าจะะเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพัวพันผูกมัดจิตใจตลอดเวลาแล้วก็เคยถูกผูกมัดมาแล้วสงสัยที่ไหนอีกพอจะไปวิเศษวิโสกับภพบนั่นชาตินี้นอกจากพิเศษเพราะความไม่เกิดเมื่อจากสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะการปราบปรามกันให้สิ้นเชื้อแล้วเท่านั้น ท่านในหลักธรรมท่านกล่าวว่าดุกขั้งนัดทิอาชาตัสวะทุกไม่เกิดไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะั่นคือผู้ไม่เกิดด้วยอานาจของกิเลสนั่นแหละกิเลสจึงตามไม่ทันไม่นะใช่ผู้ผู้ศูญศูญในความบริสุทธิ์เป็นความสุดเอาความศูญมาจากไหนความศูนย์เป็นเรื่องของสมมุติต่างหากนะอันนั้นมีอันนี้ศูญนั่นเป็นเรื่องของสมมติวิมุติจิตเป็นสมมุติเมื่อไหร่ จเจ้าความศูนย์ความขิ้นความศูนความมีมาพูดได้อย่งังไงม่ก็มีแบบความบริรสุทธิ์ถ้าศูนย์ก็ศูนด้วยแบบความบริสุทธิ์ไม่ศูนย์แบบโลกแบบสงสารหาจะแค่ให้ให้ชื่อให้นามเขาเป็นอย่างนั้นมันอยู่เหนือโลกนีไงเอาโ ล, โลกเขาไปเห ย, ยียบย่ําทําลายธรรมชาติที่เหนือโลกได้อยังไงทําให้รู้สิเอาให้รู้ให้จริงสงสัยที่ไหนมิพานสงสัยที่ไหนือเหตุการปฏิบัติ หลุดขดจิตใจทั้งหลายยืนไหนให้มีสติอันนี้สําคัญมากเราพูดข้ามสติไปไม่ได้ข้ามปัญญาไปไม่ได้เลยสติปัญญาเป็นสําคัญมากทีเดียวเดินไปไหนมาไหนก็ตามแมหสุดบินสาบก็ให้มีสติรับบาดก็มีสติอยู่ตรงนั้นแต่พิจารณาเป็นธาตุก็ได้ในการรับบาดผู้ใส่บาด ท, ทั้งลับผู้รับผู้ใส่พิจารณาเป็นธาตุหรือพิจารณาอะไรแล้วแต่ หรือเราเคยกําหนดอะไรอยู่เราจะกําหนดทําบทนั่นอยู่ประจําใจก็ได้นี้สติเป็นเครื่องพระคัพประองนั่นแหละท่านเรียกว่าบินทบาทเป็นวดัดคือวัดตปฏิบัติข้อปฏิบัติเดินบินทบาทก็เป็นข้อปฏิบัติขณะรับบาตก็เป็นข้อปฏิบัติฉนันนวลเดียวเป็นวดัดการฉันก็มีสติสตังพินิจพิจนาปฏิสังขาโยนิโสปินณปาตังปฏิเสวานพิจารณ า, ณาด้วยความอยากขายว่าสิ่งอย่านี้เพียงเป็นเครื่องเยียวยาเท่านั้น อาหารหวานคาที่อยู่ภายนอกนี้มีกมิ่นเป็นอย่างนั้นมีรถเป็นอย่างนี้ผีสันมันน่ะเป็นอย่างนั้นแตวลาเข้าไปค้าเข้าคุกเข้ากับน้ำหมูกน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วผ่านลงไปในภายในแล้วเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันหมอดนั่นการพิจรารณาและจะตื่นเต้นกับรสขั้วอาหารประเภทใดเ่ะเมื่อพิจารณาทำเป็นเครื่องแก้กันมีอยู่ที่ เ, เป็นเครื่องหลอก มันแทรกเข้ามาแทกเข้ามาสติปัญญาหรือการพิพิตริงาของเราแทกเข้าไปแทะ เ, เข้าไปโดยลำดัแบบแล้วจะไปตื่นเส้นตกทะเยอทะยานกับปัจจัยอันใดอาหารก็อย่างที่ว่านีิรีวนรนก็เอามาใช้มาสอยเพีงนู่น ห, นหงทางนั้นเองพอปกปิดสกรนากาศมัเป็นเหมือนมนุษย์ตัวถั่วไปไม่เป็นที่รังเกียรเท่านั้นแล้วเพื่อกันน้อนกันหนาว ที่อยู่ที่อาศัยก็พออยู่ไปยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อความเปลี่ยนเราเป็นไปเพื่อความสะดวกนม่มันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่าไหนไม่มีอะไรยิ่งกว่าทำไอ้ที่ไหนจริงต้องให้เป็นวัดฉันเป็นวัดก็ฉันอย่างนี้เองเรียกว่าฉันเป็นวัดไม่ไช่ฉันไปเรื่องความโลเลโลภมากเลอาหารปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นนิสัยของที่เด็กตัวหาเมืองพอไม่ได้ยิ่งกว่าลิงน้อยตัวเป็นหมื่เราไม่ใช่ลิงเราเป็นทั้งอก มีสติสตังตินิพพิจารณานี้ธรรมะเป็นวัดอย่างนี้การฉันก็เป็นวัดอย่างนี้ถ้าฉันให้เป็นวัดก็เป็นฉันให่เป็นกิเลสตัญหาก็เป็นยิ้นธรรมะว่าไปโปรดสัตมันก็ไม่ได้โปรดสัตว์ถ้าไม่มีสติชาตาแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ค้องเราค้องหรือเราคนแล้วเวลานี้นั่นน่ะโปรดสัตว์โปรดเรานี่ยก่อนอื่นถ้าโปรดเราได้แล้วก็โปรดคนอื่นได้ อาปวดเรายัางปวดไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรยังฆ่าตัวเองอยู่ด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังการไปกันมาที่ไหนๆนั่นก็ทําลายศรัทธาของเขาลงไปในหลักธรรมชาติของมันนั่นแหละคือการฆ่าตัวของตัวเองแล้วจะแปลประโยชน์ให้ประโยชน์คนอื่นได้อย่างไรเนี่ยโกรธสาปสาตะแปลว่าผู้ค้องผู้ยังค้องนะว่าตาเราก็ยังค้องบินเท่าบาก็โปรธเราลงไป พิจนารณาแก้ไขดัดแป ล, แปลงเราไปเรื่อยๆมีสติระมัดรวะวังรักษาตัวเองเสมอเรียกว่าโปรดสัตว์สัตว์ตัวนี้มัา น, านพ้นทุกสิ่งทุกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามโดยลําพังเจ้าของก็ตามให้พิจารณาโปรดเจ้าของในตลอดเวลาอย่าทำลายเจ้าของอย่าฆ่าเจ้าของไม่ความประมาทอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยฆ่าเคยทําลายเรามาแล้วไม่เป็นที่น่าสงสัยอ่ามันสิ่งหน่งละจิอ้าวท่านปริยนอืมั ตางค์